ชีวิตเราตอนนี้ไม่มีอะไรหรอกมีแค่สังขารที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะพวกที่นั่งพื้นวงกลมไว้ให้รอบที่นั่งของตัวเองนั่นแหละคือรูปนามของเราอยู่ในนี้ไม่มีอะไรเลยจากนี้ไปภารกิจในชีวิตของเราทั้งชีวิตณขณะนี้ที่ปัจจุบันก็คือว่าเราแค่รู้ลมหายใจของเราที่ไหลออกแค่รู้ลมหายใจของเราที่ไหลเข้า สภาพธรรมอื่นใดก็ตามที่ปรากฏเราแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแค่รู้ว่ามันหายไปเท่านั้นเองเวลาของเราไม่มีเพราะมันเป็นปัจจุบันอย่างเดียวลมหายใจที่ไหลออกลมหายใจที่ไหลเข้านี่เป็นปัจจุบันอาการกจิตที่รู้ลมหายใจเป็นปัจจุบันธรรม ส อ, อย่างนี้อยู่ด้วยกันมันเป็นปัจจุบันแท้เวลาของเรามันจึงเป็นศูนย์มันไม่มีหรอกหนาที10นาทีถ้าจิตออกไปหลุดไปว่ากี่นาทีแล้วโอ้ยนี่ได้เป็น5นาทีแล้วนี่นั่นเรียกว่าหลุดออกจากปัจจุบันเข้าหาอดีตถ้าว่านี่โอ้ยเหลืออีก10นาทีนั่นเป็นอนาคตหลุดออกจากปัจจุบันทันทีเพระะ น, นภารกิจง่ายมากน้อยมาก มีแค่จิตที่รู้ลมหายใจที่ถูกรู้กับฐานที่ตั้งของจิตรู้วางไว้ <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอย่างอื่นอะไรเราบริหารของเราได้ลมหายใจเนี่ยในช่วงแรกนี่ถ้ามันรู้สึกว่ามันรู้ไม่ค่อยดีหรือว่ามันเห็นไม่ค่อยชัดก็ทำได้สองอย่าง หนึ่งก็รู้มันไปอย่างนั้นแหละก็รู้ว่ามันบางๆก็รู้ว่ามันไม่ค่อยชัดแต่ถ้าว่าอยากจะทำให้มันไม่เป็นอย่างนั้นในระยะแรกเราก็หายใจเข้าให้ยาวหายใจเข้าลึกๆแล้วควบคุมลมหายใจค่อยๆปล่อยเขาไหลออกมาพร้อมจิตที่สังเกตรู้การไหลออกของลมหายใจที่ไหลออก เราก็จะค่อยๆเห็นลมหายใจของเราที่อยู่ในการควบคุมดูแลของจิตของสติอันนี้เรียกว่าบริหารระยะต้นแล้วก็อย่าปล่อยให้จิตวิ่งไปหาลมหายใจที่ท้องหรือวิ่งตามลมหายใจเข้าไปวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างนั้นให้ค่ายๆคอยจ้องดูอยู่นิ่งๆถ้าเราไม่สามารถรู้ได้เราก็หายใจเข้ายาวๆ แล้วตั้งหยุดลมหายใจไว้แล้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจไหลออกแล้วก็ปล่อยลมหายใจไหลออกมาช้าๆพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้นมันก็จะเห็นลมหายใจของตนเองที่ไหลออกมาไอตรงที่ที่มันเห็นที่มันรู้สึกนั่นแหละตรงนั้นได้กว่าที่ตั้งของจิตรู้เป็นเสมือ น, นป้อมยามของหมู่บ้านทีนี้เราก็เคว้าอยู่ตรงนั้นเคว้าอยู่ตรงนั้นเควานิ่งๆแน่วแน่อยู่ตรงนั้นไม่ต้องวิ่งไปไหน สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าเมื่อจิตเริ่มรู้ลมหายใจลมหายใจเริ่มเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตสิ่งที่จะเกิดก็คือความเคลิมตอนนี้นิวรตัวที่แรงที่สุดก็คือถีนมิทะความเคลิมจะค่อยๆปรากฏเรายกจิตวิธีชนะความเคลิมนี้ก็คือการ ยืดตัวให้ตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอุชุงกายยังปานิทายะตัวนี้แก้ความง่วงได้อย่างดีพอรู้สึกว่ามันง่วงแล้วจิตรู้ได้ว่าความเคลิ้มเกิดขึ้นเรายอมเขาไม่ได้ถ้าเรายอมเข้าไปเราแพ้แน่เราก็ยืดตัวให้ตรงยืดตัวให้ตรงก็คือการยกกระดูกสลังให้ตั้งเป็นเกองศาให้ตั้งฉากกับพื้นที่นั่งนี่เรียกว่ายืดตัวให้ตรงแล้วมันตรงมาถึงคอกระดูกคอเลย ให้สีจากระดูกสันยืดตัวให้ตรงพอมันเริ่มเคลิ่ยืดตัวให้ตรงแล้วก็ยกจิตไปรู้ลมหายใจให้มีความเพียรในการที่จะปฏิบัติแบบนี้มือปล่อยวางทิ้งทิ้งแล้วทิ้งเลย <c oughs> ก็จะมีสิ่งที่ปรากฏนอกเหนือจากจิตที่รู้ลมหายใจและลมหายใจแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเรียกว่าสภาวะหยาบสภาวะหยาบก็คือสิ่งที่เราสามารถรู้ได้ด้วยหูจะมาเป็นเสียงรู้ได้ด้วยจมูกก็จะมาเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นกลิ่นพวกนี้เป็นสภาวะหยาบ เรก็แค่รู้พอมันดังเสียงดังบึด้ดเสียงอะไรก็ตามที่มันปรากฏจิตเราก็จะหลุดออกไปที่ที่โสตประสาทได้รับรู้ความเกิดขึ้นของเสียงวิธีปฏิบัติในการปล่อยวางสภาวะหยาคือแค่รู้ว่ามีสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็วางออกไปยกจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจไม่ปล่อยให้เกิดการปรุงแต่ง ว่าดีไม่ดีถูกไม่ถูกเพราะไม่เพราะสวยไม่สวยไม่เกิดความหมายมั่นคาดหมายใดๆปรุงแต่งใดๆแค่รู้ว่ามีสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วมันหายไปแล้วแล้วก็ยกจิตกลับมารู้ลมหายใจแค่นั้นเอง <c oughs> ถ้เป็นความคิดก็เป็นความคิดที่ปกตินะไม่ใช่ความผิดปกติธรรมชาติจิตนี้มันมันเป็นมันทํางานด้วยการคิดอยู่แล้วในแต่ละวันมันคิดมากคิดหลายเรื่องไอ้ครั้นที่เราจะมาผูกให้มันอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดการดิ้นรนของจิตมันเหมือนปลาที่มันอยู่แต่ในน้ําพอยกขึ้นมาบนบกมันก็ดิน้นดิ้นอยู่อย่างนั้นแหละจิตนี้ของเราแต่เดิม มันผูกอยู่กับหลายรางหลายเรื่องเดี๋ยวมันเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวสามีเดี๋ยวแม่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวยายเดี๋ยวปู่เดี๋ยวอากงอาม่าเดี๋ยวที่นั่นที่นี่มันเยอะแยะมากมายครั้นรอจะให้เขามาหยุดอยู่ที่เดียวคือลมหายใจมันจึงเกิดการฝืนต่อกิเลสชาติมันทําให้เกิดการดิ้นรนก็ไม่เป็นไรน เพราะเรากำลังจะฝึกเขาให้อยู่ในอํานาจของสติเพราะฉะนั้นเรารู้ลมหายใจแล้วเขาหลุดไปคิดเรื่องอื่นไม่เป็นไรเรามีความเพียรพอความมุ่ง ม, มั่นของเราพอสําหรับที่จะยกกลับมาเพื่อรู้ลมหายใจของเราก็คแค่นั้นหลุดออกไปก็ยกกลับมารู้ลมหายใจหลุดออกไปก็ยกกลับมารู้ลมหายใจหลุดออกไปก็ยกกลับมารู้ลมหายใจ หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พอตัวเราเริ่มเอียงรู้สึกว่ามันมันซึมไปลมหายใจก็ยังรู้แหละแต่รู้สึกว่ามันอ่อนลงไปอ่อนลงไปให้ยืดตัวให้ตรงนั่นคือการครอบงำของนิวรยืดตัวให้ตรงความรู้สึกตัวอย่างแรงก็จะกลับเข้ามา แล้วก็รู้ลมหายใจต่อไปไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปกังวลใดๆทั้งนั้นยืดตัวกลับมาแล้วก็รู้ลมหายใจบางคนบอกถ้ายืดตัวกลับมามันเหมือนกับการตื่นการนั่งปฏิบัติก็เหมือนกับการเริ่มใหม่ไม่เกี่ยวยืดตัวกลับมาเกิดความรู้สึกตัวพร้อมความง่วงนั้นโดนสลัดออกไปนิวรณ์ทั้งหลายก็กระเด็นออกไปจากจิตเราก็ยกกลับมารู้ลมหายใจต่อไป หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เพียนไปเรื่อยๆถ้าต้นจิตเรารู้สึกว่าเราจะจริงจังเอาจริงเอาจังกับมันเราก็จะรู้สึกว่าการรู้ลมหายใจของเรามันแน่นมันประจักษ์แล้วก็มันชัดดูการเดินเข้าเดินออกของลมหายใจกับจิตที่รู้เนี่ยมันสอดคล้องกัน จากนี้ไปอาตมาจะหยุดเสียงให้พวกเรารู้ลมหายใจของตนต่อเนื่องไปเรื่อยๆรู้ต่อเนื่องจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมง ส, สิ่งที่ปรากฏนอกเหนือจากลมหายใจแค่รู้แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ก็ดับไปไม่ต้องกังวลที่ลมสภาพทําไใดปรากฏก็ยกจิตไปรู้สภาพธรรมนั้น นักขณะนั้นถ้าตั้งอยู่ก็แค่รู้ว่าตั้งอยู่ไม่เข้าไปแช่ไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปยึดใดๆเพียงแค่รู้ดูให้เห็นแค่นั้นเองเมื่อดับไปก็รู้ว่าดับไปแล้วแล้วก็มารู้ลมหายใจ มันมารู้ลมหายใจสติที่รู้ลมหายใจถ้ามีสภาพเกิดอีกสภาพทำอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นอีกก็แค่รู้ตามปกตินขณะนี้จะสังเกตว่าสภาพทำแม่แตเตวทนาที่ปรากฏ เราจะรู้และเห็นสภาพธรรมน้ําสภาพธรรมนั้นที่เกิดเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงจิตที่เห็นจริงๆต่อความเกิดขึ้นของสภาพธรรมของสภาวะธรรมต่างๆทั้ ง, ง, งหลายก็ข้าวรู้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปกังวลกับลมหายใจ เมื่อทำนั้นดับสภาวะนั้นดับก็รู้ว่าดับแล้วแล้วจิตก็ไม่ไปไหนกลับมาที่ลมหายใจเป็นลมปกติธรรมดาที่ไหลออกก็รู้เป็นลมปกติธรรมดาที่ไหลเข้าก็รู้เกลียวรู้ของจิต มีความแน่นเมื่อลมไหลออกก็รู้การไหลออกของลม ลมที่หนักสั้นแรงเบาเราแค่รู้ความเป็นจริงของลมนั้น วิทนาทั้งหลายอันเกิดจากอะไรก็ตามแต่วิทนาเหล่านั้นมันก็เป็นการเปิดทางทุกข์ของขันนี้เองการห้าของเราส่วนที่เป็นรูปอันปรากฏเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ที่เป็นแขนขาร่างกายลำตัวทั้งร่างของเรานี้ มันเป็นหมู่ธาตุที่ประชุมกันเข้าประกอบกันเข้าขึ้นมาเป็นเราให้สมมติชื่อเรียกขึ้นมามันมีการบิดตัวเองอยู่ตลอดเวลามีความแปรปรวนตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่เที่ยงมันบีบคั้นตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นทุกข์ และที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่มันบีบคั้นตัวมันเองอยู่ตลอดนี่แหละสาเหตุเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจของเรามันเป็นสภาพธรรมที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปร่างกายของเรานี้เป็นก้อนของทุกข์ก้อนหนึ่ง ที่วางอยู่นิ่งๆทุกมันก็โผล่ออกมาเราจะสังเกตว่าในขณะที่เราตั้งอยู่ น, น, นานๆอย่างนี้ทุกโผล่มาเยอะมากแต่ใจเราไม่ทรมานกับมันเพราะว่าทุกข์เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องปกติของกายเราสามารถที่จะยกจิตเข้ามาพิจารณาเรื่องนี้ได้แต่เมื่อพิจารณาไปแล้ว ได้ความรู้จากการพิจารณานั้นแล้วก็ยกลับไปรู้ลมหายใจตามปกติธรมธรมดาธรรมดาหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ ลมของเราจะเป็นแบบไหนถึงตอนนี้เราก็รู้แบบนั้นลมแรงเราก็รู้แรงลมสั้นเราก็รู้สั้นลมเบาเราก็รู้เบาลมยาวเราก็รู้ยาวลมหยาบเราก็รู้หยาบลมละเอียดก็รู้ละเอียดในขณะที่รู้ลมอยู่มีความคิดเกิดอาจจะได้ยินเสียง หรือมันหลุดออกไปคิดของมันเองไม่ใส่ใจเรื่องที่มันคิดเพียงแค่รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นพอเรารู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นเราไม่ไปใส่ใจเรื่องที่มันคิดมันก็จะดับออกไปเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายมากไม่มีความสงสัยอะไรในความคิดพอความคิดดับไปก็รู้ว่าอ๋อมันดับแล้วก็ยกกลับมารู้ลมหายใจอย่างเดิม จิตที่รู้ลมหายใจในขณะนี้มันเป็นจิตที่บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์คือว่ามันไม่มีตัณหาไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิอยู่ในนั้นมันเพียงเพียงแค่รู้อยู่กับลมหายใจมันเป็นเพียงแค่รู้อยู่กับสภาพธรรมที่ปรากฏมันไม่ได้อยากอะไร มันไม่ได้อยากจะทำอะไรมันไม่ได้หงุดหงิดมันไม่ได้รักไม่ได้ชอบมันไม่ได้รังเกียจมันรู้ลมหายใจอย่างบริสุทธิ์รู้ที่ต่อเนื่องมาอย่างนี้ความลูก็ไม่ได้ปรากฏโทสะก็ไม่ได้ปรากฏ ความหลงก็ไม่ได้ปรากฏราคะก็ไม่ได้ปรากฏทิฏฐิก็ไม่ได้ปรากฏแค่รู้ลมที่ไหลออกแค่รู้ลมที่ไหลเข้าเท่านั้นจะเห็นอุเบกขาของจิตเป็นอุเบกขาธรรม ที่มันปรากฏอยู่ที่จิตมีลักษณะที่ไม่หวนไหวไปกับสิ่งที่ปรากฏอุเบกขาที่เกิดขึ้นในขณะ น, นี้มีลักษณะที่ไม่หวนไหวไปกับสิ่งที่ปรากฏอะไรปรากฏรู้อะไรปรากฏรู้อะไรปรากฏรู้แต่ไม่หวนไหวไปกับสิ่งที่ปรากฏนั่นเป็นลักษณะของอุเบกขา หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้จะเห็นว่าเวทนาหลายตัวที่เกิดขึ้นแล้บัดนี้ดับไปแล้วได้มีเกิดใหม่แล้ก็ดับไปแล้วมีเวทนาหลายตัวที่เกิดแล้ก็ดับหายไปบางตัวเราก็รู้ตัวไหนที่ดับแล้วเราไม่รู้เราก็ตามไปรู้การดับไปแล้วของมันให้ได้ว่าตรงนั้นที่มันเกิดเนาะมันดับไปแล้ว ตรงนั้นที่เกิดนอมันดับไปแล้วตรงนั้นเกิดมันก็ดับไปแล้วและยกกลับมารู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้า จากนี้ให้ยกความรู้สึกของเราไปรู้ตรงปลายนิ้วมือข้างขวาที่ปลายนิ้วมือข้างขวาใ้ยับปลายนิ้วมือข้างขวาให้จิตรู้สึกและค่อย ๆ, ๆ, ๆเคลื่อนมือข้างขวาช้าๆไปวางไว้ตรงเข่าข้างขวาแล้วยกจิตกลับมาที่ความมือข้างซ้ายยกปลายนิ้วมือข้างซ้ายขึ้น แล้วก็วางมือข้างซ้ายไว้ตรงที่ข้อซ้ายแล้วผ่ากหน้าขึ้นมานิดหนึ่งลืมตาออกจากสมาธิขณะนี้เราลืมตาออกจากสมาธิกันแล้วแต่สังเกตดูว่ามันยังมีความอุเบกขาหลงเหลืออยู่ในในจิตของเราอุเบกขาคือความนิ่ง ที่ไม่รู้สึกวันไหวต่อสิ่งที่กระทบให้สังเกตเมื่อเมื่อเราจะเริญนสติที่แข็งแรงมากทะลุสมาธิแล้วกูเบคาตัวนี้จะอยู่ในจิตที่ปกติสามารถทำงานทำการได้ทุกอย่างแต่ว่าจะไม่วันไหวกับสิ่งที่กระทบได้